สวัสดีค่ะคุ้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อนเตือนภัยค่ะรายการที่รวบรวมเรื่องราวการเตือนภัยการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะนํามาฝากกันเราพบกันในช่วงเวลาเช้าๆของทุกวันพรฤหัสบดีแบบนี้ค่ะวันนี้ทิฉันอาทิตยาปะกะทานางังรับหน้าที่ในการดําเนินรายการเช่นเคยนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะคุ้มฟังสําหรับเรื่องราวของสังคมในปัจจุบันเองนะคะก็มีการออกมาเตือน ในท็อปปิกต่างๆมากมายเลยทีเดียวนอกจากนี้หนึ่งในเรื่องราวที่ถือว่าน่าจะเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็น่าจ ะ, ะเป็นข้อมูลข่าวสารนะที่เวลาที่เราเสพข้อมูลแล้วนะคะก็น่าจะต้องมีเรียกว่าวิจารณญาณในการที่จะพิจารณาว่าข่าวที่เราได้ อ่านไปนั้นหรือว่าข่าวต่างๆที่ได้เจอมานั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเองนะคะมีการเร่งในการติดตั้งศูนย์ f a k e New Center นะคะเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมใน2 3ถึงเดือนนี้เพื่อหวังลดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องล่าสุดตอนนี้เริ่มเปิดให้แจ้งบอแสผ่านเพจหรือว่าอีเมลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วคะ่ะ โดยนายพุทธิพงศ์ปุณกณันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เปิดเผยว่าการแก้ไขปัญหาของข่าวลอมหรือ เฟกนิวส์นะคะถือเป็นนโยบายด้านการส่งเสริมความมั่นคงทางด้านดิจิทัลซึ่งกระทรวงนั้นจะต้องตั้งหน่วยงานศูนย์ Fake News Center เน้นในการสื่อสารข่าวการเตือนภัยพิบตัติและก็ข่าวลวงที่จะกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนอย่างเช่นข้อมูลเรื่องของสุขภาพนะคะการหลอกลวงให้ลงทุนการขายสินค้าที่อันตรายแล้วก็ผิดกฎหมายนะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและลดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆเพื่อหามาตรการในการจัดการกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมค่ะ ปัจจุบันนี้นะคะมีผู้ที่เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะโดยใช้โทรศัพท์มือถือสูงถึง 180% ของประชากรใช้ Facebook กว่า54ล้านคนล ne 12ล้านคน Twitter 12ล้านคนซึ่งส่งผลให้เรื่องของบฤิกรรมการประโภคข่าวสารของประชาชนนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นนะคะโดยใช้เวลาในการเข้าถึงข่าวสารได้รวดเร็วจากสื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆซึ่งภายใน 2-3 เดือนนี้ทางศูนย์ F ฟกซ์ e ิวเซนะคะ ก็จะติดตั้งตั้งได้เสร็จสมบูรณ์นะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนโดยเฉพาะประเด็นของความเข้าใจผิดของขา่าวลวงซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องทุกวันค่ะ ทั้งนี้นะคะกระสุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีจะต้องมีการดาเนินการอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข่าวปลอมผ่านทีมงานติดตามและคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์และใช้ AI วิเคราะห์ข่าวปลอมหรือว่าข่าวจริงพร้อมกับในการออกเตือนประชาชนให้เร็วที่สุดด้วยนะคะซึ่งในตอนนี้ในระหว่างของการตั้ง ศูนย์เฟกนิวเซ็นเตอร์นะคะก็เริ่มเปิดให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้นะคะทางเพจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือที่ทางอ e ีเมลของกระทรวงนะคะ1212 at 12 mdes.go.th ได้ตลอดเวลาเลยค่ะอีกเรื่องราวนึงในช่วงแรกของรายการนะคะตอนนี้ทางด้านของกองปราปรามเองมีการจับกลุ่มนุ่ม หนุ่มแสบท่านหนึงนะคะชายหนุ่มเนี่ยแหละคะ่ะหลอกซื้อดาวรถจักรยานยนต์ทาง Facebook ชาบ้านดอนนะคะแล้วก็นําไปจํานําต่อซึ่งการจับกลุ่มนี้นะคะตามหมายจับสารนคปรปฐมค่ะผู้ที่ก่อเหตุรับสารภาพนะคะก่อเหตุไปแล้วนะับร้อยครั้งได้ได้เงินไปครึ่งล้านนําไปเที่ยวเตะค่ะ ทางด้านของกองปราบปรามนะคะได้มีการจับกลุ่มตัวนายอภิสิทธ์บุทยักษ์นะคะอายุ23ปีซึ่งอยู่ที่ตำบลทุ่งลูกนกอำเภอกาแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะคะตา้าหมายจับสารจังหวัดนครปฐมซึ่งลงวันที่15สิงหาคม2561นะคะในข้อหาร่วมกันช่อโกงซึ่งทางของพลตรมตรีเนติวงกุหลาบนะคะผูกก้กากับการ5 ได้กล่าวว่าในช่วงเดือนเมษายนปีที่แล้วนะคะผู้เสียหายเนี่ยมีการประกาศขายดาวรถจักรยานยนต์ของตนเองทางหน้า Facebook เนื่องจากเดือดร้อนไม่มีเงินส่งค่างวดต่อมานะคะนายอภิสิทธิ์หรือว่าผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะได้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าชาบ้านดอนทักมาว่าต้องการซื้อดาวรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวจากผู้เสียหายค่ะโดยตกลงนัดซื้อขายรถกันที่ห้างดังแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐ ม, มและจักซื้อขายกันเรียบร้อยนะคะนายอภิสิทธิ์ก็รับปากว่าจะไปเปลี่ยนสัญญาเป็นชื่อตัว เองให้เรียบร้อยแล้วก็จะส่งค่างวดไปจนครบสัญญาค่ะหลังจากนั้นนะคะประมาณ5เดือนนะคะบริษัทไฟแนนซ์ได้โทรมาทวงค่างวดผ่อนรถกับผู้เสียหายนะคะโดยแจ้งว่าผู้เสียหายเนี่ยไม่ส่งค่างวดมา5เดือนแล้วและจะดําเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายถ้าหากไม่นํารถมาคืนหรือจ่ายค่าเช่าซื้อให้ครบ ผู้เสียหายก็เลยโทรศัพท์ติดต่อหานายอภิสิทธิ์ปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้ค่ะทั้งเฟซบุ๊กก็ถูกบล็อกนะคะจึงมีการเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสพเมืองนครปฐมกระกทั่งสารอนุมัติหมายจับเอาไว้ต่อมาเจ้าที่สืบสวนก็ทราบว่านายอภิสิทธิ์นั้นได้หลบหนีมากบดานบ้านญาติ ท, ที่จังหวัดกาญจน บ, บรุรีจึงมีการจับกลุ่มตัวได้ดังกล่าวค่ะจากการสอบถามผู้ต้องหานายอภิสิทธิ์เองนะคะมีการรับสารภาพบอกว่าได้หลอกซื้อดาวรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวนี้ มาจากผู้เสียหายจริงจากนั้นนะคะก็มีการนํารถเนี่ยไปจํานําต่อกับนายทุนที่ประกาศรับจำำํานําทาง Facebook ดาวรถแลกเงินโดยมีการนัดรับรถในอํเาเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะกำไรยอยู่ที่คาละ 5,000 บาทส่วนเงินที่ได้นะคะก็นํามาเที่ยวเตร่กับเพื่อนๆ เ, เริ่มก่อเหตุมาตั้งแต่ปี2560นะคะหลอกดาวรถมาประมาณเกือบ100คันได้เงินประมาณอยู่ที่ 5,000 สนบาทค่ะซึ่งผู้เสียหายก็มีทั้งในจังหวัดนครปฐ ม, มแล้วก็ในต่างจังหวัดด้วยนะคะเบื้องต้นค่ะจ้าท ก็มีการแจ้งข้อหาตามหมายจับก็นำตัวส่งสพเมืองนครปฐมดำเนินคดีต่อไปนะคะแต่ก็ตามค่ะทราบว่าขณะนี้เนี่ยม่ผู้เสียหายเชื่อเริ่มที่จะทยอยนะคะเข้าแจ้งความดำเนินคดีนะคะกับนายอภิสิทธิ์หลายรายแล้วด้วยกันค่ะ สำหรับรายที่มีการปล่อยดาวรถนะคะในสื่อช่องทางต่างๆนะคะก็ต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยตรวจสอบให้รอบคอบด้วยนะคะว่าคนที่จะมาซื้อดาวจากเรานั้นนะคะมีอ่าเป็นวิชาชีพหรือไม่นะคะมีมีการช่อโกงหรือไม่นะคะที่สําคัญก็คือการดาวแบบนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ให้เปลี่ยนชื่อ เจาของไปเลยจะดีกว่านะคะไม่เช่นนั้นก็จะเป็นอย่างเช่นกรณีที่ได้เล่าเมื่อสักครู่นี้นะคะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคะ่ะช่วงหน้าเตือนภัยมิจฉาชีพนะคะแต่งกายคล้ายกับกู้ภัยคะ่ะไปขอเรียรายเงินประชาชนนะคะที่บริเวณท่าน้ำสิริราชบอกว่าจะนำเงินไปบริจาคซื้อลงศพให้เด็กนะคะ เดี๋ยวมาติดตามรับฟังเรื่องราวนี้กันนะคะเราไปถึงเรื่องราวอุทาหรณคุณพ่อคุณแม่นะคะหลังเกิดเหตุเด็กแฝดนะคะวัยเพียงแค่1ขวบ8เดือนติดอยู่ในรถนานนับชั่วโมงนะคะช่วยได้ปลอดภยัยแต่ว่าจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงหน้ากับเพื่อนเต็นภัยค่ะ มันก็คือดอกไม้ที่ขาดน้ำอยู่กับใจที่มันหิวเช้ามาแสนยาวนานแต่ละนาทีที่พ้นที่ผ่านคือการรอคอยแต่ละคืนมีเพียงเสียงเพลงที่คอยปลอบใจ ที่ยังคอยเตือนฉันไว้ว่ายังมีวันพรุ่งนี้ดอกไม้ในใจจะกลับมาบานและในวันวานแก่คำว่าเธอรักฉันก็เหมือนว่ามีฝนปลอยปรายอยากบอกให้เธอได้รู้ที่หายใจอยู่เพราะยังมีเธอในใจโลกนี้ไม่มีความหมาย ถ้าไม่มีเธอมันนานเท่าไรไม่รู้ที่ต้องสู้กับความ เ, เหงา ได้ที่มองดวงดาวอยู่เดียวดายอยู่ในโลกที่มันมืดมิดไม่มีทางไปขาเธอก็เหมือนไม่มีอากาศจะขาดใจแต่ละคืนมีเพียงเสียงเพลงที่คอยปลอบใจที่ยังคอยเตือนฉันไว้ว่ายังมีวันพรุ่งนี้ จะกลับมาบ้านเมนไหรวันวา น, นแค่คำว่าเธอรักฉันก็เหมือนว่ามีฝนโปรยปลายอยากบอกให้เธอได้รู้ที่หายใจอยู่เพราะยังมีเธอในใจโลกนี้ไม่มีความหมายทำไมไม่เธอ อีดอมจิรุยขึ้น n น้าโซเรเดมอสกิโอโครุอามน่มอยนยมีหัวนเพียง ดอกไม้ในใจจะกลับมาบาดเหมือนไหนวันวานแค่คำว่าเธอรักฉันก็เหมือนว่ามีฝนโปรรายอยาบอกให้เธอได้รู้ที่หายใจอยู่เพราะยังมีเธอในใจโลกนี้ไม่มีความหมายทำไมไมมีเธอ เตือนภัยในช่วงนี้ของรายการนะคะมาเตือนภัยมิจฉาชีพค่ะแต่งกายคล้ายกับกู้ภัยนะคะคุณผู้ฟังคะล่อลวงไปขอเรียรายเงินประชาชนบริเวณวังหลังท่านน้ำสิริราชนะคะบอกว่าจะนำเงินเนี่ยไปบริจาคซื้อโรงศพเด็กให้โรงพยาบาลกลางแต่ตอนนี้นะคะน่าจะเป็นเรื่องของการออกมาพูดคุยแล้วว่าไม่เป็นความจริงนะคะเป็นเรื่องของการหลอกลวงค่ะทานั้นของเพจ เอสร้อเรดิโอหรือว่าจ2ส0เองนะคะก็มีการออกมาเตือนภัยหลังพบชายสมชุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินขอเรียรายเงินบริเวณวังหลังท่าน้ำสลิราชแขวงสริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโดยชายคนดังกล่าวนี้นะคะอ้างว่าจะนำเงินบริจาคไปซื้อลงศพเด็กเพื่อบริจาคให้โรงพยาบาลกลางจานวน2ศพสศพนะคะซึ่งขาดอีกสองศพนะคะทั้งเพจเองเนี่ยก็ วอนว่าประชาชนเองนะคะอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนี่เป็นเหยื่อมิจฉาชีพแน่นอนนะคะเนื้อหาใจความที่ทางเพจของจ2ส0นั้นมีการเตือนก็ระบุบอกว่าชายสวมชุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินขอเรื่อรายเงินผ่านวางหลังท่าน้ำศริราชอ้างชื่ออ่ะอ้างซื้อลงศพเด็กของโรงพยาบาลกลางสศพตอนนี้ขาดอีกสองศพ ขอประชาชนอย่าลงเชื่อนะคะอย่างไก็ตามแล้วค่ะผูกก้กระทำความผิดจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาข้อหาช่อกงประชาชนมาตรา341 ผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกไว้ให้แจ้งและโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3หรือทําให้ผู้หลอกลวงหรือบุคคลที่3ทําถอนหรือทําลายเอกสารสิทธิ์ผู้นั้นกระทำความผิดฐานช่อโกงต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับมาตรา3า3นะคะถ้าการะทาความผิดตามมาตรา3าม ได้กระทําด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนหรือการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แก่ประชาชนผู้กระทำต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 10,000 แบาทหรือทั้งจําทั้งปรับถ้ากระทาความผิดดังกล่าวในวรรคแรกต้องด้วยลักษณะดังกล่าวในมาตรา342อนุมาตรา 1. อนุมาตร 1, าตรใดด้วยผู้กระทำต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่6เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง1นึ0 0 0สบาทด้วยกันค่ะ ก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้มีการเรี่ยายนะคะเพื่อขอไปซื้อโลงศพบริจาคให้โรงพยาบาลนะคะ mm. ก็ช่างใจกันเพราะว่าอาจจะหลงเป็นเหยื่อมิจฉาชีพกันได้นะคะอุทาหรณ์อีกหนึ่งอุทาหรณ์ค่ะที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะในช่วงนี้เป็นเรื่องราวของเด็กนะคะเด็กแฝดวัยเพียงหนขวบเดือนติดอยู่ภายในรถนานนับชั่วโมงนะคะสุดท้ายช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ เจ้าหน้าที่มูลนิธิสุขสารานุเคราะห์นคปรปฐมนะคะได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีเด็กติดภายในรถไม่สามารถออกมาได้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ศูนย์มูลนิธิได้ประสานงานนายธวชชัยชาวละเอียดหัวหน้าจุดดอนตูมก็มีการไปตรวจสอบนะคะพร้อมกับให้ความช่วยเหลือเป็นการด่วนค่ะในที่เกิดเหตุนะคะเป็นบ้านฝั่งคลองที่ตำบลสามงามอําเภอดอนตูมจังหวัดนคปรปฐมนะคะโดยพบว่ามีคนในบ้านยืนมุงดูแล้วก็พยายามหาวิธีเปิดประตูรถอย่างโกลาหลค่ะโดยในรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้ วีออสนะคะก็ภายในรถเนี่ยมีเด็กหญิงอายุ1นึ่ขวบแเดือนทราบชื่อก็คือเด็กหญิงธนัจพรพอดีหรือว่าน้องเปรมนะคะอายุ1นึ่ขวบแเดือนเป็นเป็นเด็กแฝดผู้น้องนะคะร้องไห้ภายในรถเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่เข้ามาช่วยในการเปิดงัะประตูรถพร้อมด้วยชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงก็รีบที่จะช่วยน้องออกมานะคะทางด้านของคุณแม่เด็กค่ะก็พยายามร้องเรียกลูกสาวนะคะด้วยความกังวลใจแล้วก็เป็นห่วงลูกสาว เป็นอย่างมากซึ่งชาวบ้านก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะสามารถที่จะเปิดประตูรถออกมาได้ทันะคุณแม่เองก็รีบเปิดประตูหลังนะคะโผล่เข้าไปคว้าลูกออกมากอดแล้วก็อุ้มน้องเปลมนะคะซึ่งยังคงอยู่ในอาการตกใจแล้วก็มีเงื่อนไหลออกมาจนหน้าเปียบไปทั่วนะคะก็ ใบหน้าตามตัวก็แดงไปหมดเลยนะคะฉะนั้นของคุณแม่น้องเปลมค่ะคุณนภะัสสอนเจนจบนะคะอายุ3 0ปีบอกว่าตัวเองเนี่ยมีลูกสาวสองคนคู่แฝดพี่แฝดน้องทํางานอยู่ที่ อ, ออบตโทุ่งขวางนะคะก็มีการขับรถเก่งคันดังกล่าวนี่แหละคะ่ะแวะไปรับลูกสาวแฝดทั้งสองที่อยู่ในไร่ ก, กับปู่แล้วก็ยา่าจากนั้นก็ขับรถไป ร, ไปรับน้องเปลมแฝดน้องและน้องปริมแฝดพี่ เมื่อมาถึงบ้านนะคะก็ได้อุ้มน้องปริมนะคะออกมาจากรถแล้วก็จะอุ้มน้องเปรมค่ะแต่น้องปริมได้เดินไปที่เบาะด้านหลังตัวเองซึ่งได้ออกจากรถมาแล้วเนี่ยประตูด้านหน้าก็เลยปิดนั่นเองจากนั้นนี่นะคะพอ จะเปิดประตูเนี่ยก็ไม่สามารถเปิดออกมาได้นะคะส่วนกุญแจหลักเนี่ยก็อยู่ที่พรมลายค่ะกุญแจสำรองก็อยู่ในกระเป๋าในรถเช่นเดียวกันก็รีบโทรศัพท์ไปแจ้งสายด่วนเลยนะคะ1 6ึ่เจ้าหน้าที่ทรับสายเนี่ยก็มีการบอกเบอร์นะคะให้มาแจ้งกับเจ้าหน้าที่มูลนธิธิให้ช่วยเหลือเป็นการด่วนนะคะกลัวว่าเด็กนั้นจะหายใจไม่สะดวกขาดอากาศหายใจร้องไห้จนช็อกได้นะคะท่านนี้ค่ะคุณนภศรคุณแม่เองก็ฝากเตือนภัยถึงทุกคนที่มีลูกเล็กระมัดระวังนิดนึงนะคะไม่ได้ตั้ง จจริงๆแล้วก็อยากจะให้ให้ไวด้วยเพราะว่าเด็กนั้นจะไหวมากเลยนะคะถ้าเป็นไปได้นี่ก็ห้ามคล้าสายตาเลยแล้วก็ต้องดูแลตลอดเวลานะคะเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นได้อย่างเช่นเหตุการณ์นี้นั่นเอง นี่คือเรื่องราวในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้านะคะทางด้านของมวแลปแพนด้าเองมีการเปิดคลิปวิดีโอนะคะเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกผู้สูงอายุขายยาจีนค่ะรักษาได้สารพัดโรคเลยนะคะแต่ราคาเกือบหมื่นค่ะเดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันเราไปถึงเรื่องราวของพ่อคาบาร์บีคิวโพสต์เตือนระวังเดี๋ยวนี้นะคะมิจฉาชีพในคราบของต่างชาติตีนา้าบอกว่ามีภรรยาคนไทยเนี่ยภรรยาก็ทิ้ง ขอเงินหน่อยที่นี้เนี่ยนะคะปรากฏว่าพอให้เงินไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะส่งเมลมาเยอยนะคะว่าโง่แล้วก็ยังส่งภาพของรับมาซะด้วยนะคะเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวนี้กันในช่วงหน้ากับเพื่อนเตินภัยค่ะคนที่อ่อ น, น, นลนเธอคงมาในวันเงาเดินตัวเองดูเบา ว่าควรห้ามใจไม่อยากเจอซ้ำ ๆ, ำๆไม่อยากทุ่มเทใครหมดทั้งใจเกลือต้องเป็นฝันร้ายอีกครั้งหนึ่งเธออาจจะเป็นดึงเชันน้ำเย็นชันโลภจิตใจหรืออาจเป็นไฟที่มา ที่ใจเธอก็ดูยากเย็นจนเกินจะคาดเดาก็รู้ต้องหยุดตรงนี้แต่ฉันก็ปล่อยให้ใจรักไปโดยไม่มีเหตุผลรักเธอโดยไม่มีขอแม้โดยไม่ค่ เพื่อนตันภายในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะเริ่มต้นกันนะคะที่หมอ lab panda นะคะมีการเิดคลิปวิดีโอมิจฉาชีพหลอกผู้สูงอายุขายยาจีนบอกนะคะว่ารักษาได้สรพัดโรคเลยนะคะแต่ว่าราคาในเกือบหมื่นเลยค่ะระบุนะคะเน้นขายในกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่เพียงลำพังย้านะคะแพทย์แผนจีนตัวจริงจะอยู่ที่โรงพยาบาลไม่เร ข, ขายยาตามบ้านค่ะ แฟนเพจ a c e b o o k หมอแล็บแพนด้านะคะมีการโพสข้อความเตือนภยัยสำหรับครอบครัวที่ปล่อยให้ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในบ้านเพียงลำพังหลังพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพนะคะก็เดินตามบ้านเลยค่ะไปหลอกขายยาจีนในราคาเกือบหมื่นเลยนะคะโดยหมอแล็บเองได้บอกถึงวิธีการของกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้บอกว่า ท, ทําทีมาแมะจับจุดบอกโรคแล้วเขียนใบสั่งยาจีนให้ไปซื้อต้มเองเขียนไปเขียนมาก็บอกว่า อออาการป่วยของคุณเป็นหนักมากตัวยาที่เขียนให้ไม่มีขายในประเทศไทยแต่เดี๋ยวก่อนฉันเป็นหมอที่มีตัวยานี้พอดีเลยหลอกขายายาในราคาเกือบหมื่นมาดูกันว่าพวกเขาเหล่านี้มีวิธีการอย่างไร 1. เป้าหมายของมิจฉาชีพก็คือบ้านหรือร้านค้าที่มีคนจีนสูงอายุถ้าอยู่ตามลำพังพวกนี้จะชอบมากทำเป็นตีซีและหลอกถามอาการต่างๆทาให้พวกนี้ได้ข้อมูลในที่เราไม่รู้ตัว 2แพทย์แผนจีนตัวจริงจะอยู่ที่โรงพยาบาลเขาจะไม่มาเร่ขายยาตามบ้านแน่นอนแพทย์ไม่ใช่รดกับข้าวกับข้าวคับกับข้าวนะฮะก็มีการแซวกันเล็กน้อยนะคะ3ก็คือพวกนี้พอมีความรู้อยู่บ้างจะเดากว้างๆเช่นปวดข้อปวดเอวปวดเข่าใช่ไหมปวดประจำเดือนใช่ไหมทักไปยังไงก็มีโอกาสนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการ โดนทักโดนสักคนนะฮะถูกสักคนนี่แหละค่ะแต่ว่าอย่าลงเชื่อเด็ดขาดนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือยาจีนที่นำมาขายเนี่ยนะคะบางอันก็ถูกต้องตามกฎหมายค่ะบางอันก็ไม่ถูกต้องแล้วจะไปเสี่ยงกินทำไมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่เจ็บป่วยก็ไปโรงพยาบาลดีกว่านะคะ นี่นะคะก็เป็นการเตือนนะคะจากแฟนเพจมอสแกล็บ Penda ซึ่งนำมาฝากกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ใครที่มีผู้สูงอายุแล้วก็ท่านก็อยู่บ้านเพียงลำพังนะคะอย่าลืมแชร์ข้อมูลข่าวสารนี้เล่าสุขกันฟังด้วยนะคะเผื่อว่า นั่งอยู่บ้านพีรังพังนะอาจจะมีมิจฉาชีพมาในรูปแบบต่างๆแบบนี้นะคะทิ้งท้ายกันในวันนี้ค่ะกับเรื่องราวของพ่อค้าบาร์บีคิวมีการโพสต์เตือนนะคะระวังเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพแบบใหม่นะคะเป็นต่างชาติขาะสักเต็มตัวตีหน้าเศร้าอ้างว่ามีภรรยาคนไทยแล้วก็ทิ้งตัวเองไปนะคะก่อนจะขอยืยมเงินแล้วก็หนีไปค่ะสามยังส่งเมลมาเยาะเย้ยบอกว่าโง่พร้อมกับมีการส่งภาพของลับมาด้วยนะคะ ผู้ใช้เฟ e บุ๊กโปรสุทธราชาตินะคะได้โพสภาพชายชาวต่างชาติสักลายเต็มหน้าพร้อมข้อความระบุว่าฝากเตือนฝากกันแชร์หน่อยครับเป็นบุคคลหลอกหายิมเงินแล้วหนีทำตัวว่าตัวเองกำลังประสบคราะกรรมจะได้ถึงมือเจ้าหน้าที่ช่วยการสอส่องดูแลไม่ใครตกเป็นเหยื่ออีกโดยงานนี้นะคะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจานวนมากเลยค่ะผู้โพสท่านนี้นะคะก็คือคุณสุทธราชาต์เขาสีดานะคะ อายุ50ปีค่ะเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นทราบว่าเป็นผู้เสียหายนะคะซึ่งถูกชายชาวต่างชาติในภาพเนนะคะที่มีการโพสต์เนี่ยหลอกยืมเงินแล้วก็ไม่คืนก่อนหน้านี้นะคะประมาณกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาชายชาวต่างชาติทราบชื่อว่าคือนายส จ, จ๊วตชาวอังกฤษเนี่ยก็เข้ามาตีสนิทนะคะมานั่งที่ร้านซึ่งเปิดเป็นร้านขายบาร์บีคิวลูกชิ้นปิ้งแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็ยังพูดคุยนะคะบอกว่าได้มาพักที่นี่เป็นอาพาร์ตเมนต์รายวันอยู่ข้างร้าน เนื่องจากถูกภริยาชาวไทยทิ้งไม่ใหญ่ดีช่วงแรกนะคะก็จะเข้ามานั่งนั่งทานที่ร้านแทบทุกวันแล้วก็จะเล่าเรื่องราวต่างๆให้ตายใจนะคะผ่านไปเกือบเดือนก็เริ่มออกไลน์ค่ะโทรมาบอกว่าทำกระเป๋าเงินหายที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่3ด้วยความเชื่อนะคะก็หลงเชื่อนะเพราะว่าได้คุยกันมาหลายครั้งนะคะก็มีการช่วยตามหาแล้วก็ประกาศผ่านโลกออนไลน์จากนั้นเนี่ยนะคะ ชาวต่างชาติรายนี้เนี่ยก็เริ่มจะจะขอยืมเงินค่ะโดยอ้างว่ารอเพื่อนส่งบัตรเครดิตมาให้จึงจะคืนเงินที่ยืมด้วยความสงสารนะคะก็กู้เงินให้ยืมเลยค่ะครั้งแรก2 0 0 0บาทจากนั้นไม่นานนะคะก็ยืมอีก 2,000 บาทรวมเป็น 4,000 บาทนะคะโดยบอกว่าจะนำเงินมาคืนทั้งต้นแล้วก็ดอกหลังจากที่บัตรเครดิตถึงมือสุดท้ายก็เก็บสภาพ้าหนีไปนั่นเองนะคะทานั่นของคุณสุธีรชาตินะคะก็ กับภรรยาเองเนี่ยก็ทำใจแล้วว่าคงไม่ได้เงินคืนแน่ๆนะคะแต่ไม่นานเนี่ยนะคะชายคนดังกล่าวเนี่ยกับส่งอีเมลเยอะเยอยบอกว่า โง่นะคะแล้วก็ภรรยาเองได้ส่งอีเมลทวงเงินกลับไปกับส่งภาพของรับมาให้ภรยาของคุณเทดชติอีกก็เลยตัดสินใจนะคะโพสต์เตือนภัยส่วนตัวนั้นรู้สึกว่าเสียความรู้สึกกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ก็เห็นว่าเป็นชาวต่างชาตินะคะไม่น่าจะหลอกกันได้แบบนี้ซึ่งตัวเองกับภรรยาเองก็มีน้ําใจให้โดยตลอดค่ะส่งข้าวส่งน้ํากรธโอดเพราะว่าต้องคอยเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดีนะคะแต่สุดท้ายนั้นกับถูกหักหลังค่ะ ทุกวันนี้ก็ต้องก้มหน้าขายของจ่ายค่าดอกเบี้ยงเงินกู้รอละสิบที่ไปหยิบยืมมาให้นั่นเองนะคะผู้เสียหายได้กล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากถูกหลอกนะคะรู้ว่าถูกหลอกยืมเงินแล้วหนีเนี่ยก็มีการนําเรื่องราวไปโพสต์ในโลกออนไลน์ต่อมาก็มีชาวอินเทอร์เน็ตชาวเน็ตนะคะซึ่งเป็นแม่ค้าขายของในเมืองคอนแกนก็เข้ามาบอกว่าชายชาวต่างชาติเนี่ยเป็นคนเดียวกับที่ ถูกหลอกยืมเงินนะคะร่วม 1,000 0บาทเลยนะเมื่อพูดคุยกันนะคะก็ทราบว่าใช้วิธีการพูดล่อลวงด้วยการสร้างเรื่องราวแบบเดียวกันเลยค่ะเบื้องต้นนะคะเพื่ อ, อตอนนี้ยังไม่ได้เข้าแจ้งความนะคะแต่ว่าก็มีการเผยแพร่เรื่องราวเพื่อจะเตือนภัยนะคะถ้าหากพบชายชาวต่างชาติรูปร่างหน้าตาตามที่คุณธุรชาติได้ระบุเอาไว้นะคะก็ให้ระมัดระวังเพราะว่าอาจจะถูกหลอกเหมือนกับคุณธุรชาติแล้วก็แม่ค้า ขายของในจังหวัดขอนแก่นได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเรื่องราวของมิจฉาชีพเองเนี่ยไม่ได้จำกัดแค่ชนชาตินะคะก็มีทุกชาติเหมือนกันเพระนาะฉะนั้นต้องระวังสิ่งสำคัญนะคะก็คือเรื่องของการนำความน่าสงสารนะคะในการมาหลอกลวงในการมาหลอก เอาเงินนะคะโดยเฉพาะในคนไทยเองซึ่งถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างขี้สงสารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะรับฟังข่าวสารเรื่องราวของใครก็ตามนะคะอย่าลืมที่จะเผื่อใจในการที่จะคิดถึงว่าเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือไม่เราก็พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นไม่ฉาชีหรอเปล่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรก็เชื่อไม่ได้ค่ะ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะคะกับเพื่อนตืนภัยที่ที่ันนํามาพูดคุยแล้วก็บอกเล่าให้คู่ฟังได้รับฟังกันนะคะซึ่งคู่ฟังสามารถติดตามรับฟังเพื่อนตืนภัยได้ใหม่ในวันพระศุกร์สปฏีหน้าเช้าเช้าแบบนี้เวลาเดิมทาง FM 89.5 ็ิบวัยุราชมงคลธั ญ, ญบุรีนะคะวันนี้ดิฉันอาทิตยาปรกรณนังและทางทีมงานต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟัง น, นะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดย